ก็เนโรสัจจะที่เราเรียนมาหลายครั้งแล้วไหมซึ่งถือว่าเป็นสัจจะที่สูงสุดในพระพุทธศาสนาหลายๆแห่งใช้คำว่าปรมาสัจจะสัจจะอันยิ่งสัจจะอย่างยอดนะสัจจะที่ยิ่งสัจจะที่ยอดเป็นสัจจะที่ผู้ใดตรัสรู้แล้วทำให้ผู้นั้นพ้นทุกผู้ที่เวียนว่ายตายเกิด เดือดร้อนอยู่ในวะตาก็เพราะไม่เห็นสัจจะอันนี้คือไม่เห็นสัจจะที่เป็นพระนิพพานนั่นเองครั้งก่อนๆเราได้ยกข้อความในอุทานปฐมนิพพานสูตรทุติยานิพพานสูตรนมาขึ้นตติยานิพพานสูตรเนี่ยนะคือสูตรว่าด้วยนิพพานสูตรที่สามในคัมภีร์คุตการนิกายอุทาน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 ร่าเริงด้วยธรรมีคาถาอันปฏิสังยุตด้วยนิพานก็ภิกษุเหล่านั้นกระทำให้มั่นมนานิการแล้วน้อมนึกธรรมีคาถาด้วยจิตทั้งปวงแล้วงี่ยโสดลงฟังธรรมลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วจึงได้เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่า <c oughs> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นไปแล้ว อันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ดูก่อนพิสูุทั้งหลายถ้าธรรมชาติอันไม่บังเกิดแล้วเปะไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วจักไม่ได้มีแล้วซ้ายการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจะไม่พึงปรากฏในโลกเลยดูก่อนพิสูจทั้งหลาย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 บทว่าอัทโขพขวาวเอตะมะถังวิทิตวาความว่าได้ยินว่าในกาละนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประกาศโทษในสงสารโดยอเนกปริยายแล้วทรงแสดงพระธรรมเทศนาอันเกี่ยวด้วยพระนิพพานโดยการแสดงเทียบเคียงเป็นต้นแล้วนั่นนะก็ประกาศโทษในสังสารวัตรเป็นอเนกประการนั่นนะสังสารวัตรมันมีโทษยังไงนั่นนะ ผู้ที่อยู่ในชาตินี้นานๆนี่ช่วยเล่าโทษของสังสารวัตนี่ทำไมมันน่าออกคุณหมออินสอนสังสารวัตมันมีโทษยังไง อ, กกอือถ้าไม่เกิดก็ไอ้ความแก่ความเจ็บความตายบริหารขันหนักห้าหกเจ็ดสิบกิโลไม่มีอะเนาะเชิญพานเอาใครจะพันน า, นาเล่าถึงโทษของอยู่ในสังสารวัตมันมีโทษยังไงเนี่ย ทำไมจึงหาทางออกมันไม่ดียังไงวะตะเนี่ยนะสีก็สวยเสียง ก, ก็เพราะเปลี่ยนก็หอมรถก็อร่อยหน้าเพลิดเพลิน เ, เ, เพราะสมัยนี้ก็ห้างสรรพสินค้าเต็มไปหมดคนก็ไปออกกันเต็มไปหมดก็บอกว่าโอ้คนเนี่ยไปเดินนะนะไม่ค่อยเที่ยวป่าเที่ยวเขาแล้วเที่ยวห้างอย่างเดียวเท่านั้น ท, ทันท่ารถเนี่จอดเต็มไปหมดเลยเนี่ยนะทําไม วัตะเนี่ยมันมีโทษยังไงทำไมเราจึงอยากจะออกจากวัตะกันนะมันเสียหายังไงไช่วยเอาพี่ปลาหน่อยจักฟัง ที่ว่าสวยมันสวยไม่นานนี่ครับือที่ว่าดีก็ดีไม่นานเนี่ยครับมันไม่มีอะไรที่มันมันมันถาวรสักอย่างหนึ่งเล ย, เยครับแล้วก็ก็เต็มไปได้วยความทุกข์ยากทั้งนั้นนี่ครับก็เป็นไปได้ทุกข์ครับก็ท่านบอกว่า สังสารวัฏนี่ก็คือทุกเท่านั้นที่เกิดติดต่อกันไปโดยไม่ขาดสายทุกเท่านั้นที่เกิดติดต่อกันไม่ขาดสายอันนี้น่าสนใจมากนะครับแสดงว่าโอ้โหมันทุกมากเพราะขนาดที่มันเกิดขันไม่มีช่องว่างเลยเนี่ยมั น, ม, นมันทุกขนาดไหนทุกไม่มีระหว่างทุกไม่มีระหว่างเเพราะว่าขันห้าเป็นทุก ก็ขันห้ามันเกิดทุกขณะจิตนะเมื่อขันห้าเกิดทุกขณะจิตก็ต้องกล่าวว่าทุกเกิดขึ้นทุกขณะจิตการประชุมกันธรรมะสามประการที่ไรนะก็หมายความว่าเกิดทุกขึ้นมาทุกทีเหมือนกันแล้วก็สร้างสมุดไทยต่อทันทีเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยในสังสาวัตไม่น่าไม่ดีแนบขอโอนไปอสังขตรธรรมเลครับ ก็ขออุลไปชะโงกไปดูสังกัตธรรมบ่อยๆแล้วเห็นว่าอออในในสังกัตธรรมมันไม่มีอย่างนี้ครับเพราะฉะนั้นก็ขอเชิญชวนท่านทั้งหลายนะครับปฏิบัติธรรมเพื่อนน้อมไปเพื่อนนมไปในวิเวกในนิโรธะในนิพพานวันหนึ่งให้ชะโงกไปดูบ่อยๆครับสิ่งใดก็อยู่ใกล้ๆเนี่ยครับถ้าสังเกตึงจะเห็น สิ่งใดมีในสังสาระนีนะครับไม่มีในนิพพานธาตุดินมีในในสังสาระนีธาตุดินไม่มีไม่มีในนิพพานดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาไม่มีในนิพพานความทุกข์ไม่มีในนิพพานความไม่เที่ยงไม่มีในนิพพานในนิพพานมีเที่ยงครับในนิพพานมีสุขในสังสารวัตสุขชั่วคราว แต่ในนิพพานสุขถาวรก็ได้แต่การเปรียบเทียบจะโง่ไปดูเห็นลางๆเท่านั้นนะครับยังไม่ได้เห็นชัดเลยสักวันหนึ่งคงจะเห็นชัดครับหมอมาอ่ะหมอพรนันนาที่สารานี่มันกุ๊กยังไงที่จริงหมอที่สอนน่าจะพันนาได้ดีว่า ถามว่าไอสั ง, ส า, า ง, างาสารวัตรนตเนี่ยมันทุกยังไงที่ว่าทุกทุกยังไงสังสารวัตเราเอาทุกวันนี้เ็นตัวบิตัวบิดตัวบิดขั้นหน้าขั้นหน้าเนี่ยมันก็เกิดจากปัจจัย ที่เราเรียกว่าขามันปงแปลงของที่ถูกปรงแต่งแล้วมันไม่มีทานที่จถาวรมันต้องเปลี่ยนแปลงไปได้ขาเปลี่ยนแปลงอันนี้แหละคือความรู้สึกเปลี่ยนอย่างเดียวเหรอเปลี่ยนอย่างเดียวใช่ไหมใช่ไหมครับพี่หมอ ถ้าไม่เปลี่ยนทุกไหมอันที่จริงในในสังสาระเนี่ยนะครับถ้าไม่มีทุกกระทุกสัอย่างเนี่ยนะผมไม่ไปนิพพานนะครับถ้าไม่มีทุกกระทุกนะไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะครับถ้าผมไม่มีทุกกระทุกสัอย่างเดียผมผมไม่ดินน้นรนผมไม่มาเรียนแล้วครับ จาไม่นิดว่าตะมันทุกยังไงมันไม่ดียังไงคือครับคือในในวัตะที่เราที่เราเวทว่ายไตเกิดขึ้นมาเนี่ เรามันมันมันอนิจจังแล้วก็เป็นทุกข์แล้วก็อนัตตาที่สําคัญคืออนัตตามันไม่ใช่ตัวของเราเราบังคับมันไม่ได้เช่นวันนี้เกิดเป็นนายวินิจชาตินี้กลกลายเป็นลูกหมาตัวหนึ่งก็ได้เราบังคับไม่ได้และอนาคตเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เพราะฉะนั้นภัยของวัตฏะก็คือก็เหมือนคอน ค้อนกระทั่งส่วนใหญ่ตัวเราจะเป็นทั้งซอะมากกว่าโดนค้อนทุบอยู่ทุกวันเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีขันขันห้าคือไม่มีอวัยวะที่รองรับความทุกข์ก็คงไม่โดนค้อนทุบอยู่ทุกวันเลยนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างอวะตะหรือวิรา่าก็คือก็คือการเรียนรู้เพื่อเพื่อไม่ให้เกิดภาชนะที่จะรองรับ รองรับความทุกข์แบบแบบเราไม่ต้องการให้มีน้ำเราก็อย่าสร้างภาชนะเก็บน้ำไว้แบบที่ผมเป็นนายวินิตัวด ำ, ดำ <c oughs> ตอนก่อนนี้ผม <c oughs> ผมรอนะครับตัวขาว <c oughs> มัวแต่ไปวุ่นกับวตานี่แหละ <c oughs> เลยตัวดำเลย <c oughs> ครับเพราะฉะนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้นที่เ็าว่าวะตะไอ สังสารวัตนี่ก็คือเราจะต้องคอยว่ายน้ำอยู่เรื่อยและน้ำที่เราว่ายมักจะว่ายตามน้ำไปไปชนตะลิ่งชนหอกชนดาบช่อชนขวาน้นามมีแต่ลูกศรทิ่มแทงอยู่ทุกวันไม่ว่าตามือหูเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นใครที่เคยเจอชีวิตตั้งแต่เด็กๆในเหนื่อยมาแบบนี้นี่บางทีก็ หน้าตายิ้มแยบเดียะรับหลังนั่งร้องไห้ชีวิตไม่เหนื่อยขนาดนี้ผมเคยถามเคยคือคือผมเกิดจากครอบครัวที่ที่ฐานะค่อนข้างยากจนเคยถามคนที่รวยๆนี่เธอเธอช่วยบอกพ่อเธอหนยะผมสมัครเป็นลูกสักคนเกิดครอบครัวนี่เ็ามีเงินเกินร้อยล้าน เขาบอกว่าอาจารย์จนๆแบบนี้ดีแล้วแล้วเขาก็อธิบายว่าการมีทรัพย์เยอะนี่มันลําบากแค่ไหนเราก็เล่าให้ฟังแล้วผมอเออจนๆแบบนี้ดีแล้ <laughs> วโอ้าลาบากมากจริงๆเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีภาชนะก็คือราคะหรือตัญหาไม่มีโรคสามพวกโทสะโมหะ แล้วก็โลภภาพวอนี้ก็คือเราขาดภาชนะเพราะฉะนั้นเมื่อเราเราสิน้นสิ้นขันห้านี้ไปนี่ผมคิดว่าพยายมคองหาวิญญาณเราไม่เจ อ, อ, อนี่แหละคือผมต้องการตรงนี้คือคอาจารย์นี้พูดมีมีข้อความอยู่ข้อความที่น่าสนใจนะครับคือบอกอย่าให้มีภาชนะเลยนะอันที่จริงนะ ก็คืออาจารย์นะเข้าเข้าใจน่ะนะจะเป็นคําพูดที่ดีนะอันที่จริงนะคือคือคือไม่มีวัตคือไม่มีวัตถุเป็นที่รองรับของทุกว่างั้นเถอะเออนี่เข่าท่านะคือใหญ่มันมีนะไอ้วัตถุของที่รองรับแห่งทุกก็คือขันท่าถูกไหมตัวขันท่าจะไปคิดแค่รูปร่างกายอย่างเดียวนะเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่นะเป็นตัวรองรับทุกหมดเออดีเข่าท่าดีเหมือนกันนะ โอเคแล้าเจ้าเจ้าเนี่ยทมาเขาคนเดียวบ้างก็ก็ที่ ที่พยายามศึกษาพระพุทธศาสนานี้ก็คือเห็นภายในวัตตะนะคะก็พยายามล้มลุกคลุกคลานมาโดยตลอดก็รู้ว่าทุกโทษของวัตตะเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ยึดถ้ามีตัวเราตัวเขามีมือมีกูมันก็ทุกทุกทีแล้วมันก็หลอกให้เราทุกฟรีอยู่เรื่อยเพราะฉะนั้นก็จะต้องทำลายอาวิชชาด้วยการเพิ่มวิชา ก็ก็เลยบากบันให้รู้ว่าเออตัวอุปทานขันห้าเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์ถ้ามันไม่มีเราไม่มีเขาให้รู้ว่ามันมีเหตุปัจจัยเกิดดับไม่เที่ยงเป็นทุกข์ก็จะได้ละอุปทานตรงนั้นแล้วก็จะไม่ยึดก็ต้องเพิ่มวิชาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะ สำหรับตัวเองนะคะเมื่อก่อนนี่ก็ศึกษาธรรมะก็เพื่อให้รู้เท่านั้นเองคือไม่คิดว่าจะเห็นโทษของวัตตะอะไรนะคะแล้วทีนี้ภายหลังเนี่ยคือได้ศึกษามากขึ้นแล้วเราได้อ่านพระไตรปิฎกมากขึ้นนะคะเราฝึกษาทายายมากขึ้นทําให้เราเห็นทุกข์มากมากขึ้นเพราะฉะนั้นก็อยากจะบอกให้ท่ทานทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะฝึกษาทายายมากๆคือมันจะทําให้เห็นวัตโทษของวัตตะเยอะ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งประจวบกับเป็นผู้โชคดีที่ว่าได้ทํางานในในในที่ที่เราได้พิจารณาเห็นขันภายนอกขันภายนอกที่มีแต่ความทุกข์ความป่วยไข้เพราะว่าเขาเพลิดเพลินในขันห้าเขาต้องมีเพราะว่าเกิดแก่เจ็บตายเรามีความโศก ม, มีทั้งหมดนะคะในวงจรของปฏิจจะบางทีเราเห็นแล้วเรารู้สึกเลยว่าเราโทมนัส ด, ด้วยซ้ําไปว่าเอ๊ะ เราก็ไม่พ้นจากภาวะที่เป็นอย่างคนเขาเหล่านี้นะคะก็เลยเริ่มน้อมใจมามากขึ้นส่วนตัวเราเราก็พิจารณาในทุกวันนะตื่นขึ้นมาเนี่ยตาเห็นสีก็เกิดล้วความทุกข์ไม่ได้ดังใจอยากได้ดังใจเดี๋ยวฟุบเดี๋ยวฟูอยู่อย่างนั้นละคะ่ะทุกวันจนแบบมันมันระอาบางครั้งมันก็ระอามากทําไมเดี๋ยวเราดีใจเดี๋ยวเราเสียใจนะคะต้องบริหารนามขันตลอดเลยคอยเอาใจม า, มาก ก็ยิ่งเห็นโทษของวัตตาตอนนี้ยิ่งเราพยายามตอนนี้จะเน้นตึกพระพุทธคุณนะคะเพราะเมื่อก่อนจะไม่เคยนึกๆที่จะตึกเลยแต่ช่วงหลังๆเนี่ยช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่พยายามระลึกถึงพุทธคุณเยอะๆแล้วก็ไปกราบพระธาตุตามตามที่เราเคยปฏิบัติคือพยายามทําให้เป็นอุปนิสัยนะคะยิ่งเราตึกเท่าไหร่เราก็ยิ่งเห็นคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็ยิ่งเห็นคุณของการออกจากวัตตามากขึ้น ตอนนี้คิดว่าการศึกษาเนี่ยสำคัญมากที่สุดเลยเราคงช้าไม่ได้แล้วนะคะก็อยากเป็นกำลังใจให้ทุกท่านร่วมกันศึกษาให้มากมากขึ้นเพราะว่าวัดตานี้มันมันน่ากลัวมากมากเลยค่ะคือแค่แค่ชาตินี้ที่เราเห็นเราก็คิดว่ามันเยอะพอแล้วถ้าที่สิ่งที่เราจะไปที่เราไม่เห็นอีกเราอาจจะประสบทุกขอาจจะไม่มีโอกาสได้มีศึกษาธรรมะอีกแล้วนะคะก็ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะ สท้ายกสภาพในหน่อยก็คือเพิ่งได้สดสดร้อนร้อนนะคะก็เพิ่มเติมเดี๋ยวก่อนตั้งสติก่อนพระตถาคตและกรารทั้งหลายได้แล้วครอบงำกรารทั้งหลายเที่ยวไปรู้ที่สุดแห่งชาติและมรณะ มิดับความเร่าร้อนได้แล้วเป็นผู้เยือกเย็นเหมือนห้วงน้ำย่อมควรเครื่องบูชาพระธรราคตผู้เสมอด้วยพระพุทธเจ้าทั้งหลายอยู่ห่างไกลจากผู้ไม่เ ส, สม อ, มสมอทั้งหลายเป็นผู้มีปัญญาเป็นผู้มีปัญญาสูงสุดผู้อันตันหาทิฏฐิไม่ชาบทาแล้วในโลกนี้หรือโรคอื่นย่อมควรเครื่องบูชา พระตถาคตผู้เป็นพรามไม่มีมายาไม่มีมานะปราศจากความโลภไม่ยึดถือสัตว์ในสัตว์และสังขารว่าเป็นของเราหาความหวังมิได้บันเทาความโกรธแล้วมีตนดับความเร่าร้อนได้แล้วละมนทินคือความโศกเสียได้ย่อมควรเครื่องบูชา พระตาาคตละตันหาและทิฏฐิได้แล้วไม่มีตันหาและทิฏฐิอะไรอะไรไม่ถือมั่นในโลกนี้หรือในโลกอื่นย่อมควรเครื่องบูชาพระตาาคตมีจิตตั้งมั่นแล้วมีข้ามโอเคได้แล้วและได้รู้ธรรมด้วยทิฏฐิอย่างยิ่งมีอาสะวะสิ้นแล้วทรงไว้ซึ่งร่างกายอันมีในที่สุดย่อมควรเครื่องบูชา ภ า, ว, าวะและวาจาหยาบคายพระตราคตกรรมจัดได้แล้วทำให้สิ้นสูญไม่มีอยู่พระตถาคตผู้ถึงเวทผ้นวิเศษแล้วจากทมทั้งปวงย่อมควรเครื่องบูชาพระตราคตผู้ร่วงกิเลสเครื่องคร่องไม่มีทำเครื่องคร่องก้าวล่วงทิฏฐิทั้งหลายก้าวล่วงทิฏ ทิฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ไม่มีอารมณ์อะไรๆย่อมควรเครื่องบูชาพระตถาคตไม่อาศัยตัณหามีปกติเห็นนิพพานมีปกติเห็นนิพพานไม่เป็นนะไม่เป็นสัตว์ผู้มีมานะในหมู่สัตว์ผู้มีมานะอยนะคะผิดรากำหนดรู้ทุก พร้อมทั้งไรนาและที่ดินรู้สึกว่ามันจะผิดนะคุย <c oughs> <c oughs> กันทำทั้งที่เป็นภายในและภายนอกพระตถาคตแทงตลอดแล้วกำจัดได้แล้ว <c oughs> <c oughs> ต่อหน่อยค่ะ <c oughs> พระตถาคตนั้นเป็นผู้สงบแล้วอัน น้อมไปในธรรมเป็นที่สิ้นอุปทานย่อมควรเครื่องบูชาภาตถาคตเห็นที่สุดแห่งความสิ้นไปแห่งชาติบรรเทาสังโยชนเป็นทางแห่งราคะเสียได้ไม่มีเหลือเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีโทษปราศจากมนทิน ไม่มีความใคร่ย่อมควรเครื่องบูชาพัตนาคตไม่พิจารณาเห็นตนโดยความเป็นตนมีจิตตั้งมั่นปฏิบัติตรงดำรงตนมั่นไม่วันไหวไม่มีกิเลสดุดหลักต่อไม่มีความสงสัยย่อมควรเครื่องบูชาพัตนาคตไม่มีปัจจัยแห่งโมหะอะไรอะไรเห็นด้วยญาณในธรรมทั้งปวง ทรงทรงไว้ซึ่งสรีระมีในที่สุดและได้บรรลุสัมโพธิญาณที่ยอดเยี่ยมอันเกษมความบริสุทธิ์ของบุรุษย่อมมีด้วยเหตุเพียงเท่านี้พระตถาคตย่อมควรเครื่องบูชา คือตอบคำถามท่านอาจารย์ว่าสังสารวัตรนี้มันมันทุกข์แค่ไหนอันนี้ก็มันอะไรลําบากไม่ดียังไงนะในฐานะที่เป็นผู้หญิงเป็นแม่บ้านเอาตั้งแต่ตอนเดี๋ยวตอนเด็กๆ ก, ก่อนนะมันก็ต้องเรียนหนังสือเพื่อที่จะาหาปัจจัยสีนั่นแหละพ่อแม่ก็ต้องบอกไปเรียนหนังสือพอเริ่มเริ่มทอนสตะคือรู้จักใช้เงินนี่ ชั้นปฐมนี่ก็พ่อแม่บอกเอ้าไปหาดค้าขายก่อนตอนเริ่มแรกก็ให้ไปขายาปลาท่องโกขายได้ไม่ได้ไม่เป็นไรให้ไปฝึกขายนั่นคือเริ่มเริ่มเพื่อที่จะหาเงินมาเลี้ยงชีวิตแต่ตอนนั้นเราก็ไม่รู้สึกกันนะจนเพิ่งที่หลังมาเรียนนี่ถึงได้รู้ไอ้วัตตกวัตตะสมัยก่อนก็ยังเออต้องทำไปก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีทางที่จะไปได้นะอย่างที่สุดจินว่าตอนที่มาเรียนแรกๆ ก, ก็ยังไม่ทราบเหมือนกัน ก็เรียนเออเรียนามาเรียนธรรมะเออให้มันเป็นคนดีเอาแค่นั้นไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นนะคะต่นี้พอในฐานะเป็นผู้หญิงโอ้โหเป็นลูกผู้หญิงนี่มันก็ลําบากอยู่นะคะต้องทำงานอา่าแม่บ้านก็คือทํางานบ้านทํางานครัววันหนึ่งสามมือ้อทําเสร็จล้างเสร็จเก็บเสร็จอะไรเนี่ยนะมันก็ลําบากอยู่น ะ, ะแล้วก็มีครอบครัวมันก็ลําบากอยู่ นะบ้านที่อยู่อาศัยก็ลำบากอยู่คือทุกอย่างมันก็ก็ยุ่งไปหมดเพราะว่าเพื่อไอไอไอตัวนี้ฮะไอตัวสังขารไอขันห้าของเรานี่นะคะต้องไปป้อนมันเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็เจ็บป่วยเราเห็นทั้งทงี่เราเคี่ยวแมมเราก็แสนจะแข็งแรงวันหนึ่งมันก็เจ็บป่วยซึ่งเรานึกไม่ถึงว่าเราจะเป็นถนึงขนาดนั้นมันก็เป็นไปแล้วนะแสดงว่าเราก็ไม่สามารถที่จะ ไปควบคุมหรืออะไรมันได้มันก็เป็นของมันไปนะก็ทํายิ่งมาเรียนตอนนี้ที่ท่านาพูดถึงสังสารวัตก็มองเห็นว่าเออเป็นเพราะว่าเราเกิดมาแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีต่อไปก็คื อ, อชะอาชะลาโมรนะแล้วก็เราก็สุดท้ายเราก็ต้องอจุติแล้วก็ไปหาที่เกิดใหม่ตอนนี้ไอตอนที่จะไปเกิดใหม่นี่ก็คิดลําบากอยู่เพราะว่าไอที่เราเกิดมาได้เป็นอย่างนี้นี่ก็ ก็คงไม่ใช่โคงอ่ะมาด้วยมหากุศลนะคะแต่ยังไม่ทราบว่าไอตอนจะไปนี่ <c oughs> ไปด้วยอะไรนะฮะแต่ก็พยายามทําให้ให้ดีที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้น ะ, ะก็ยังไม่ทราบจะไปถึงแค่ไหนแต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะก็อืยังท่องได้บ้างไม่ได้บ้างวันนั้นพยายามไปท่องพุทธานุสติฮ ะ, ะโอ้โหมันทํามายากสิบท่อนเนี่ย ท่องไ ป, ไปเที่ยวเรือมานะก็หิ้วไปท่องด้วยนะใครเขาดูเรือเขาไอ้เราก็หยิบไอ้ใบนี้ออกมาท่องโอ้โหมันทำไมยากจังเลยนะได้ท่อนเดียวในหนึ่งในสิบนี่นะคะหนึ่งวันนี้ก็ยังดีนะฮะว่าได้ได้มาหนึ่งท่อนยังยังวันนี้ยังพูดกับสุจินนะโอ้ยมันทำไมยากจังเลยมันไม่เป็นระเบียบคือเดี๋ยวพูดถึงกิเลสเดี๋ยวก็พูดถึงอะไรปัญญาอะไรเนะี่ยมันมันไม่ค่อยอันนี้รู้สึกเอก็อยากจะระลึกพุทธานุสติด้วยแต่ว่า ไอ้บทนี้มันท่องยากจังนะะบ ท, บทที่ท่านผู้การให้นะคะอ่าสิบไม่ อ, อะไรก็ไม่ทราบพยายามท่องที่ท่านผู้การให้ไปฮ ะ, ะโอ้โหมันท่องยากจังมันสิบท่อนนะฮะก็เพิ่งได้ท่อนหนึ่งนะฮะที่บอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมบูชาสการับพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอ่างอ่าเป็นผู้ เออผู้ทรงเป็นผู้อ่าผ้าละหันไกลาจากกิเลสแต่สรุปรอบได้โดยพระองค์เองอ่าผู้ทรงเป็นเอออะไรนะปราจจากอ่าโอ้ยอะไรเนี่ยคะ่ะโอ้มันยากจังน ะ, ะมันมันไม่เป็นระเบียบเดียเด๋ยวเดี๋ยวไปล่วงกิเออเดี๋ยวละกิเลสแล้วสุดท้ายก็ยังบลากิเลสอะไรอีกนะคะรู้สึกมันมั น, ม, นมันทำกำลังท่องไปได้ท่อนเดียวนะฮะก็ยังปฏิติประต่อยังไม่ค่อยได้คะ่ะก็จะพยายามอยู่นะคะว่าจะทํำยังไงคืออ่า จะไปอินเดียนี่นะฮะก็คิดว่าอยากจะมีให้ให้ให้มีอะไรนะให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ให้ดีที่สุดไหนๆจะไปอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะก็พยายามอยู่ค่ะคุณนภาพระอาจารย์ถามว่า สัสาระนี่ไม่ดีอย่างไรคือเราก็พิจารณาตามที่คำสอนที่พระอาจารย์ได้บรรยายมาเมื่อสองวันที่แล้วว่าพิจารณาถึงวัตตะกับวิวัตตะวัตตะคือความที่เป็นไปสืบเนื่องต่อแต่วิวัตตะนี่ที่เราควรจะคิด เพราะว่าการเป็นไปอย่างนี้คือการเป็นไปตามอะไรตามกระแสะกระแสะก็มีห้าอย่างก็มีพวกทิฐิทุจริตแล้วก็กิเลสแล้วมีมานะตันหาหรือเปล่าค่ะคือเป็นไปตามขันธาตุอายตนะแต่ซึ่งอโอฆาทั้งสี่นี่เราก็รู้ว่ามันมีอะไรบ้างคือปกติคน เราปุถุชนนี่เราก็จะชอบพวกนี้คือแถวโอค่าศแต่ถ้าสมมติเราจะให้ไม่ให้เป็นไปแล้วก็ต้องถวนตวนกระแสรหรือว่าสวนกระแสคือวิวะตะัตจะต้องเรียนรู้อาขั้นพื้นฐานก็เป็นศีลพวกศีลอะไรพวกนี้แล้วก็ตามคำสอนก็รู้เหตุเกิดเหตุดับก็ตามที่เราเรียนรู้อศาศัยท่าอาทีนวะว่าแล้วก็รู้ข้อปฏิบัติ ของออคือทางทางปฏิบัติที่จะให้ถึงนิโรธอะไรตำนางนี้ก็พอดีตอนนี้ถึงเวลาเรียนขอกราบเรียนผระอาจารย์อธิบายต่อ <c oughs> ตอนที่ไปกรุงเทพพระอาจารย์บรรยายบอกว่าเอ้มรณาสันนวิธีคือวิธีจิตสุดท้ายใกล้ๆจะตายเนี่ยถ้ามันเป็นอคุศลเนี่ยก็หมายความว่านั่นแนะทุกคติหวังได้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็ในชีวิตประจำวันเนี่ยเราต้องยอมรับว่าเราจิตเป็นอคุศลถ้าส่วนใหญ่แล้วอยู่ดีดี ตอนนั้นถ้าเราไม่ฝึกไว้ก่อนนะแล้วเราคิดหวังไว้ว่าเออช่วงนั้นอ่ะเราจะทําจิตให้เป็นกุศลเนี่ยโอ้มันยากจริงๆเพราะฉะนั้นเราต้องฝึกนะแล้วผมตั้งนั้นท์ข้องต้องฝึกให้ได้นะคือพยายามฝึกให้ให้ให้เกิดความชํานาญที่เรียกว่าอาวชนวาวสีนะเขาเรียกอาวชนวาวสีหมายความว่าความชานิชนานาญในการที่จะตึกที่จะนึก ไปในไตรสิกขาให้ได้ไม่ไปในฐานฐานก็ได้ศีลก็ได้เป็นกุศลด้วยกันนะถูกไหมคว่าเป็นไตรสิกขาณนะ์ดีสุดนะเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเนี่ยให้ตึกให้ให้คล่องแคล่วถ้าตราบใดถ้าเรายังตึกไม่คล่องแคล่วนะโอ้เสี่ยงต่อการไปเป็นทุกขติภูมิจริงๆเลยเสี่ยงจริงๆเลยครับเพราะว่าในคัมภีร์บอกไว้เลยครับถ้าหากว่าจุติขนาดมีโทสะมีโลภะขนาดนั้นนะ จิตมีราคาโทสะโมหะถ้าขนาดนั้นเนี่ยมีหวังนะนรกอสุรกายตัดเดรัฉานเนี่ยมันเสียวจริงครับแล้วเราจะหวังว่าไอ้ไอ้ไอ้ อ, อาสันอานักกรรมอาสานวิถีนั่นเนี่ยนะครับมันจะเป็นมันจะเป็นอย่างที่เราคิดไหมครับเนี่ยตรงนี้เสียวจริงๆครับแล้วตอนนี้ถามว่าฝึกได้อย่างอืมต้องอยางยากแต่ว่าพอฝึกพอฝึกได้ อย่างน้อยที่สุดนะครับสาทยายลองดูกันแล้วกันปวดหัวตัวร้อนเป็นไข้เป็นหวัดนอนไม่หลับเจ็บแข้งเจ็บขาปวดหลังก็ลองดูที่เป็นกุศลได้ไหมละ่ะ <c oughs> ถ้าเป็นไม่ได้ก็คุยกับลูกกับหลานไวด้ดีๆเลย <c oughs> บอกว่าหยาดน้ําไปหาพ่อแม่มั่งเน้อเมื่อ <c oughs> วานนี้นั่งบินครับเครื่องบินอยู่ดีเสียงมันเงียบไปครับท่านจําได้ไหมตอนขึ้นน่ะตอนเมืองอ่ะไอ <c oughs> อยู่ดีเสียงมันเงียบไปครับเสียงเงียบเลยโมเงียบ มันเนียครับก็มาว่าหูมาไม่ครับมันเบาไว้ทีงครับมันเบาไอบุ้มนอนนะผมก็เสียวเลยผมกม็นึกท้องพุทธคุณนี้ไคห้องไม่ออกเอนึกไม่ออกครับนึกไม่คล่องเลยนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็เสียวพอเสียงมันมาใหม่นะอค่อยร้อเเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันก็มันก็เป็นอีกนะฮะถ้าไม่ใครไม่สังเกตนะ เ, เรา เ, เครื่องเป็นไงเปล่เาเนี่ยแล้วลองนูสิถ้าหากว่ามันจะเป็นจริงๆอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วเราจะ นึกถึงพุทธคุณได้คล่องไหมไม่ไม่คล่องเลยครับจึงไม่ต้องกล่าวถึงผู้ที่ไม่มีพุทธคุณอยู่เลยที่ยังนึกอะไรไม่ออกเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมว่าตา่อมีโทษยังือ ตั้งอยู่แล้วทุกทู้นันทีมันดับไปกำลังพรณาไว้ในมหากรันฐานโสดกับในภารปบันิโส์นั้นสักใจจริงๆเลยเพราะว่าจตามนั้นเ่าจะท่านท่านสักคาถาอะไรนั้นเราอยากให้เราเปิด